หรือผ่านขอขมานะคะณในโอกาสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีขอโอกาสท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะโยคีทั้งหลายได้รวบรวมปัจจัยถวายเป็นปัจจัยสี่แด่พระอาจารย์เจ้าค่ะเดีจะขอโอกาสนี้ให้ผู้แทนเป็นผู้ถวายนะคะพวกเราน้อมใจค่ ะ, ะกล้องกล้องจับคู่กันก็ได้ค่ะชายหญิงจับคู่กันเลยค่ะ พี่จับเลยค่ะเป็นผู้แทนของเราทุกคนนะคะถวายปัจจัยสี่พระอาจารย์ก่อนสาธุสาธุสาธุ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 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัตะนตะตาเยปะมาเทนะทาวารัตยาณะกตังสา พ, พังอปป ร, ราทังขมะตุโนพันเตอาจาริเยปะมาเทนะทาวารัตยาณะกตัง สาพังอาราทังขมาตุโนพันเตกรรมชั่วอันใดที่เป็นบาปอากุศลอันข้าพระเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในครูบาอาจารย์ด้วยกายวาจาใจ ทั้งต่อหน้าและรับหลังจำได้หรือจำไม่ได้ทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ข อ, ขอท่านจงอดโทษโปรดอาโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวร เ, เ, เป็นกรรมขัดขวางความเจริญในชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิด อาหารขมามิตุ <ved> ้มเหหิปิเมคมิตภังขมาม้าพันเตสาตุกรากรากราช่างตัวแทนกับที่นั่งค่ะ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 รัตนาตายางปานุเปตังสารนังคาฉามิติมังทาเรธะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอลาศิกขาบททั้งแปดขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นผู้ถึงพระรัตนตรยเป็นสารณะตลอดชีวิต มายังพันเตติสลรเนนะสาหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสาหปัญจศีลานิยาจามะตาติยามปิมายังพันเตติสารเนนะสาหปัญจศีลานิยาจามะ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 ทุติยามปีธรรมมังสารนังขจามิทุติยามปีสังคังสารนังขจามิทุติยามปีสังคังสารนังขจามีตติยามปีพุทธังสารนังคามตาติยามปีพุทธังสารนังามตาติยามปีธรมมังสารนังคามตาติยามปีรมังสารนังาม ตยามปีสังคังสารนังขจามีติยมปีสังคังสารนังามีสารนาคามนังนิตตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธยามี ปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปะทธังสมาธิยามีอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทธังสมาธียามิอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทธังสมาธิยามิกาเมสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปะทธังสมาธิยามิกาเมสุเมชาจารา เวลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธียามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธียามิสุราเมรยะมัชะปมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทานสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาประธานิสีเลนะสุขติงยันตี ส, สีเลนะโพคาสัปปทาสาสีเลนนิพุติงยันตีตาสมาสีลังวิโสทะเยสัตุาาาค่ะขอกราบอัลลาธนาพระาชา์ค่ะ ได้โปรดเมตตาให้โอวาทปิดแกโยคยีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่เวลาเจ้าค่ะขอโอกาสครับแล้วก็ขออนุโมทนากับเราทั้งหลายวันนี้ก็มีเวลาอีกไม่มากแล้วหนึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะก็เป็นช่วงวันสุดท้ายแล้วก็ปิด ปิดการประชุมปิดการประชุมก็รับฟังโอวาทโอวาทในการที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันมาเป็นเวลากี่วันนะสี่หรือห้าวันไม่เต็มนะได้สี่วันก็กว่าวันเวลาผ่านไปไวไหมหรือช้า ไว้หรือช้าไวไว้วหรือช้ า, รชาจริงๆก็ปกติของมันเลย <c oughs> ไอ้ช้าหรือเร็วอยู่ที่ใจพวกเรานี่แหละคนที่อยากจะกลับจะเร็วหรือชา้า <c oughs> คนที่ยังไม่อยากกลับจะเร็วหรือชา้าเ <c oughs> นี่ยเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเวลามัน <c oughs> มันก็เป็นปกติของวันนี่แหละดูใจเราสิเนี่ยฉะนั้นกรณีที่เราท่านทั้งหลายอยากจะฝากกระบวนการความคิดก็คือว่าระหว่างความเห็นกับความจริง มนุษย์เรามีปัญหาอยู่สองเรื่องนี่แหละถ้าเราอยู่กับความเห็นนะยึดถือความเห็นแล้วก็กอดลัดวัดเวียงกับความเห็นเราก็จะไม่เข้าถึงความจริงเลยนะต้องใช้คำว่าเลยไอความเห็นตัวนี้ทัศนคติเหล่านี้นี่แหละที่เราไปกอดความเห็นอย่เนียจริงๆความเห็นตัวนี้เป็นทิฏฐินะ แต่ถ้าความจริงตรงนั้นน่ะความรู้ตรงนั้นเป็นปัญญาทีนี้ประเด็นอย่างนี้ว่าเดี๋ยวตั้งสองประเด็นนะแล้วจะถามพวกเราด้วยจะถามพวกเราด้วยว่าเออมันต่างกันอย่างไรและควรจะเป็นอย่างไรนะหนึ่งก็คือเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นกับสองเอาความคิดเห็นประกอบความรู้เนี่ย <c oughs> ถามให้งงก็ อ, อย่างนี้แหละ ประโยชแรกอะไรนะเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นกับประโยคที่สองเอาความคิดเห็นประกอบความรู้สิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยควรจะเป็นประโยคหลังประโยคแรกหรือหลังหรือประโยคหลังฮะเดี๋ยวอธิบายนิดนึ่งถามนิดนึงว่าเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นคืออะไร ฟังไม่รู้เรื่องอามาก็ถามไปงั้นแหละแล้วเอาความคิดเห็นประกอบความรู้นี่คืออะไรเดีย๋ยวถามยอมหน่อยว่าในชีวิตของยอมเนี่ยยอมดำเนินชีวิตแบบไหนตอนนี้สาวในเสียงดังดีจริง ยองจะลืมใช้ในยีอ่ออนนี่ดีมาอยู่ตรงไหนก็ได้ยินแต่บางทีมันก็แจ้งไปงั้นแหละเมื่อกี้ว่าไงนะที่จริงออมาไม่ค่อยอยากจะเสียเวลาเท่าไหร่อ ย, อยากจะรีบ ต, บตอบเลยแต่จริงๆแล้วถ้ามาพูดไปเร็วๆเนี่ยยงก็จะลำบากกั น, นลำบากในที่นี้ก็เพราะว่าเอ๊ะพระมาพูดอะไร <S <S เอาความคิดเห็นประกอบความรู้รเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นเนี่ยมาก็จะงงนะี้ เอาความรู้ประกอบความคิดเห็นกับเอาความคิดเห็นประกอบความรู้โยมดาเนินชีวิตเนี่ยโยมดาเนินชีวิตประเภทไหนเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นหรือว่าเอาความคิดเห็นประกอบความรู้โยมเข้าใจไหมคำว่าเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นคืออะไร ยกตัวอย่างอย่างนี้ดีกว่านะยอมมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองนะมาที่ตรงนี้แต่ยอมไม่ได้ไปให้ทั่วไม่ได้ดูทั้งหมดหรอกยอมมาแค่บริเวณตรงนี้แหละแล้วก็มาพบเจ้าวาดแล้วก็พอคุูบอโอ้ดีจริงๆ <c oughs> ไม่รู้สึกถูกใจมาก ไปตรงครัวก็มีอาหารกินมาตรงนี้ก็มีข้อมูลบอกอากาศก็ดีมองไปตรงนี้ก็มีน้ำบรรยากาศสดชื่นผู้คนก็เป็นกันเองเนี่ยแต่ยอมยอมรู้เพียงแค่แอรเรียใกล้ๆเนี่ยแต่นี่นึกพื้นที่ตั้ร้อยส0 0ร0 0ยสามร้อลายสมมติแต่ยอมดูเพียงแค่นี้เมื่อดูเพียงแค่นี้เสร็จยอมก็เลยใช้ตรกกะอนุมานเลย สุดยอด <laughs> ดีจริงๆก็ยะงเลยสุดยอดมากเลย <laughs> แล้วพวาไปที่ไหนยองก็พูดใหญ่เลยตอนนี้ <laughs> สุดยอดจริงๆ <laughs> ไม่มีตรงไหนดีเท่าตรงนี้อีกแล้ว <laughs> นี่นในายานหนึ่งแล้วเห็นไหมว่าเอาความรู้ประกอบกับความคิดเห็น ความรู้ได้เพียงแค่นิดเดียวถ้าคิดไปก็คงประมาณสักส0ซแต่ความคิดเห็นประกอบเข้าไป 90% สบหรืออีกคนหนึ่งก็มาที่ตรงนี้เหมือนกันมาเสร็จปุ๊บมาเจอท่านจ้าว่าตอนนั้นอารมณ์ไม่ค่อยดีอี่มาสมมุตินะโอ้โหยอมตีตกเลยแต่เนี้ย ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองวัดนิสรณวนารามใช้ไม่ได้เ <c oughs> สียแนะเห็นเนี่ยแค่แค่แค่นี้แหละแค่ยมมาเห็นเพียงแค่ส0บเอร์ซแต่เก้สเซนี่ยยมใช้ความคิดเห็นประกอบเบ็ดเสร็จหมดแล้วแล้วก็ตัดสินไปตามความคิดเห็นนั้นดีหรือไม่ดีมันเลยกลายเป็นว่า มันได้ข้อมูลครบหรือไม่ครบมาที่ตรง น, นี้มาฟังพระ พ, พูดภาพรวบนี้บรรยายดีจริง ๆ, ๆดีจริงๆใช่ไหมรู้เพียงแค่หนึ่งส่วนแค่นี้แหละใช่ไหมอีกเก้าสิบส่วนเก้าสิบเก้าส่วนไม่รู้เนี่ยแต่มันประมวลไปเบีดเสร็จปุ๊บตกผลึกไปแล้วไงวมันเลยกลายเป็นว่าเอาความรู้ประกอบความคิดเห็น ชีวิตของยอมยอมดําเนินชีวิตกันแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ยอมรับมาเสียดีๆนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นี่แหละที่มันไม่ปลอดโปร่งมันไม่โลง่งมันไม่เบาเพราะตรงนี้แหละมันใช้ความรู้เพียงนิดหน่อยแล้วก็ตามไปด้วยทัศนคติและความเห็นเต็มไปหมดเลยมันก็เลยไม่เข้าถึงความจริงตามสมควรที่ควรจะได้สิอีนี้ เอาตอนนี้ต่อแล้วเอาความคิดเห็นประกอบความรู้ถ้าเป็นยังไงยอมมาใหม่มาที่อ่างทองนี่แหละตรวจสอบคือศักยภาพแค่ไหนรู้เท่าที่ปัญญาจะรู้เท่าความที่เท่าที่ความรู้ความจริงจะปรากฏแค่ไหนเต็มที่เลยเนยเต็มที่เลยจะได้สักแป0สก็ได้ พอรู้จนรายละเอียดทุกแง่ทุกมุมแล้วเบ็ดเสร็จแล้วต่อมาเวลายอมจะบอกจะกล่าวยอมก็บอกในทุกแง่ทุกมุมตรงนั้นยังไงบอกไปตามความรู้นะไม่ได้เอาความเห็นประกอบเลยนะเมื่อรู้ทั้งหมดแล้วเท่าที่ศักยภาพของมนุษย์ที่พึงจะรู้แล้วต่อมาก็ติ่งความเห็นแล้วก็วงเล็บไว้ด้วยว่าอันนี้เป็นความเห็นนะครับให้ <c oughs> ความรู้นะ่บอกไปหมดแล้ว แต่ความเห็นเนี่ยเป็นแบบนี้นะสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาความคิดเห็นประกอบอะไรการดำเนินชีวิตจริงๆเนี่ยของมนุษย์เนี่ยเราควรจะอยู่จุดไหนควรจะเอาความคิดเห็นประกอบความรู้หรือเอาความรู้ประกอบความคิดเห็นเพราะอะไร สิ่งที่มนุษย์เนี่ยติดตันกันในทุกเนี้ยทุกวันเนียเพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยอยู่กับความเห็นกอดความเห็นจนกายถึงไม่เข้าถึงความรู้หรือความจริงยอมว่าอากาศขนาดนี้ดีไหมกำลังดีไหมเนี่ยที่เราอยู่ข้างนอกข้างในเนี่ยและเราอยากจะให้อากาศข้างนอกเป็นแบบนี้ไหม การที่เราอยากแค่ให้อากาศข้างนอกเนี่ยมัน25องศาเนี่ยอันนี้เป็นความรู้หรือเป็นความเห็นเป็นความรู้หรือความเห็นเป็นความเห็ น, น, หนแต่ความจริงคือโค <c oughs> ตรร้ อ, <c oughs> รอน <c oughs> ร้อนจริงจริงใช่ไหมามาลองเดินดูเนี่ยมาเดินเดินเดินเดินวันนี้ก็เออลองเดินดูหน่อยวันสุดท้ายเรามาก็เดิน เงือก็ไหลเออเป็นความจริงความรู้เป MM. ็นความจริงเป็นแบบนั้นเลยเราได้สัมผัสความจริงแล้วไม่ใช่ปลงแต่งแล้วโอ้ยธรรมชาติความจริงก็คือว่าเนี่ยมันร้อนขนาดนี้แหละเดินไปตรงนยมบอกเอาล่มไหมบอกไม่แล้วอยากจะรู้ว่าความจริงมันแค่ไหนอย่างไรเออก็ได้ความจริงอย่านี้จริงไนี่นี่เป็นอย่างนี้แต่พอเข้ามาตรงเนี้มันจะมีความรู้สึกว่าวูบเขึ้นมา พอโอบขึ้นมาเนี่ยตันหามันทำงานทันทีชื่นใจจริงๆไอ้ตันหามันบอกอย่างเงี้ยนะไอ้ตันหามันจะบอกแบบนี้แต่จริงๆความจริงมันแต่เห็นไหมว่าเราทำไมไม่สามารถทำความชื่นใจให้เกิดขึ้นในขนาที่อยู่กับบรรยากาศที่ร้อนได้เพราะอะไรเพราะความรู้ไม่พอถ้าความรู้พอเนี่ยก็จะสามารถมนสิการใช้ยานปัญญาให้เกิดความเข้าใจ ในสถานการณ์ความเป็นจริงตรงนั้นแล้วก็วางท่าทีทางใจจากการได้รู้ความจริงและเกิดความชื่นใจจากการได้ไ ด, ไ, ดได้เข้าถึงความจริงและปฏิบัติความจริงได้อย่างถูกต้องดีงามในทํานองเดียวกันเมื่อเรากลับไปบ้านเราต้องไปอยู่กับความรู้หรือความเห็นเราไปอยู่กับความเห็นนั่นแหละแต่จริงเนี่ยพไปอยู่กับความเห็นเราก็จะอึดอัดเช่น อยากให้พ่อเป็นอย่างนี้อยากให้แม่เป็นอย otte, ่างนี้อยากให้สามีเป็นอย่างนี้อยากให้ลูกเป็นอย่างนี้อยากให้คนใช้เป็นอย่างนี้อยากให้เจา้านายเป็นอย่างนี้ยอมก็ไปกอดไปสิความเห็นเนี่ยแล้วยอมก็จะอึดอัดเป็นทุกข์เพราะความเห็นของยมมันไม่เป็นความจริงตามที่อยากให้มันเป็นมองเห็นหรือยังนี่คือการไม่มองความจริงตามความเป็นจริงที่มันเป็นไปอยู่ในขณะนั้นนั้น กลับไปเมื่อไหร่ภรรยาที่ขี้บ่นจุกจิกจิ้วจี้มันก็เป็นมันอย่างงั้นแหละสามีที่บ่นจุกจิกจิ้วจี้ลูกที่เป็นยังไงเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นจริงไม่จริงเขามีบุคลิกภาพอย่างไรมีทัศนคติอย่างไรมีสภาพความคิดเห็นอย่างไรบุคลิกภาพอย่างไรสภาพจิตใจอย่างไรทัศนคความเห็นอย่างไรเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นจริงไหม อันนั้นคือความจริงหรือาอันนั้นความรู้หรือความเห็นอันนั้นความจริงหรือความเห็นความจริงก็คือความรู้นี่แหละทีนี้ถ้าเราไปบอกว่าไม่ได้ฉันไปฟังพระมาะแล้วเธอต้องมีเมตตา <c oughs> เนี่ยมันอึดอัดครับข้องกรเพราะในบ้านเรามันไม่มีเมตตานี่แหละรากกันเถอะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกคนต้องมีเมตตาจำไว้นะเป็นไงนีงจริงคืออะไรนี่ความเห็นใช่ไหมแล้วเราก็จะบังคับเอาความเห็นของเราให้มันเป็นความจริงให้ได้โอ้โหทีที้ต่อสู้กันนานเลยจริงไหมวางระเบียบใหญ่เลยต่อไปนี้ต้องสวดมนต์ ส่วนมนต์เบส็จต้องแผ่เมตตาแผ่ธรรมดาไม่ได้แผ่สิบทิศ <laughs> <laughs> โอ้โหเดี๋ยวนี้ยว่าไงจะว่าไงยมน้ำ <laughs> ปรึกษาหน่อยขอเวลานอก <laughs> นี่จัดคอสอบรมบมาเยอะแล้วเนี่ย <laughs> ใช่ไหมเล่า มันรู้สึกว่าแม่เนี่ยนักข้านักข้ามันจะเป็นโรคอะไรรู้ไหมบ้านไม่น่าอยู่ภรรยาไม่น่ามองสามีไม่น่าครบโลกไม่น่าเกี่ยวข้องเพื่อนบ้านไม่มีใครดีสักคนเลยนอกจากที่ปฏิบัติธรรมศูนย์นานาชาติอ่างทองซึ่งมีเจ้าอาวาสที่เป็นประธานโอ้ยมันมันเย็นมาที่นี่มันเย็นจริงจรเดือดร้อนถึงพระใช่ไหม ลูกคนนึกใหญ่พระองค์นี้มันสอนอะไรเนี่ย <c oughs> <N ee> เป็นอย่างเงี้ยมองเห็นว่าจริงๆว่าเราไม่อยู่กับไปอยู่กับความจริงแล้วเรายอมรับความจริงโดยปัญญาไม่ได้มันก็อึดอัดขัดเคืองแล้วมองคนอื่นเป็นคนชั่วหมดเลยมีดีอยู่คนเดียว จะอยู่ยังไงเด็กคนดีคนเดียวจะอยู่ยังไงเนะี่ยมันรู้สึกว่าออืท่านเจ้าค้าถามทำไมที่บ้านเนไม่มีใครสวดมนเลยมีชั้นสวดอยู่คนเดียวไม่น่าอยู่เลยบ้านมันร้อนไปหมดอยากจะมาโปกบ้านอยู่ที่ศวนปฏิบัติธรรมนะอาจารย์ต่างต่อรู้สึกมันเย็นสบายมันเย็นไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยว่างั้น มีความคิดแบบนี้บ้างไหมเนี่ย <laughs> จริงไหมจริดฉะนั้นตัวความคิดเห็นเนี่ยทีนี้ประเด็นคือว่าแต่ก่อนเนี่ยห้องนี้ยอมมันเย็นไหมมันเย็นหรือไม่เย็นเนี่ยแต่ที่มันเย็นเพราะอะไร เมื่อมนุษย์เนี่ยอยากจะให้ห้องนี้เย็นใช่ไหมหรือปรารถนาอยากจะให้ห้องนี้เย็นแต่มนุษย์มีปัญญาไงเมื่อมีปัญญาก็เลยจะทําความเห็นให้เป็นความจริงให้ได้เอาล่ะสิตรงนี้ก็เริ่มไปศึกษาเรียนรู้ไปติดต่อหาเงินหาอะไรต่างขึ้นมาหาช่างมาพอมาติดเสร็จแล้วมนุษย์ทําได้จริงไหม เออเนี่ยทำจากที่สามสิบกว่าองศาเกือบจะสี่สิบองศาทําให้เป็นยี่สิบห้าองศาได้อันนี้ใช่ความพยายามทำความเห็นของมนุษย์ให้เป็นความจริงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นความสามารถของมนุษย์เห็นว้าปัญญาในขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าเราอยากจะทําให้อลเรียทั้งหมดเนี่ยเป็นร้ยสองร้อยไลน์เนี่ยมันเย็นเท่ากันหมดได้ ไ, ดไหม ได้ไม่ได้แต่ถ้ามีศักยภาพทําได้ไหมเพราะเราเคยเห็นเขาทาจริงๆสนามบินสุวนรณภูมมันเย็นโอ้โหมันเย็น้ไปตรงไหนออกมาไม่ทำไมเย็นนะเนี่ยเข้าห้องน้ําก็เย็นนะเย็นขนาดนั้นเลยนะเออมันทําได้จริงด้วยนี่ศักยภาพใช่ไหมจากความเห็นแท้ๆเนี่ยเอามาเป็นความรู้เอาเป็นความจริงได้อย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เหมือนกันเราเนี่ย อยากจะเป็นผ้าลิยะมันเป็นความเห็นนะเป็นความเชื่อเป็นความเห็นเป็นทัศนคติเราสามารถจะทำความเห็นของเราเนี่ยให้เป็นความจริงได้ไหมได้ไม่ได้ตอบได้เลยจริงหรือเห็นไหมเมื่อมนุษย์เนี่ยตั้งความเห็นไว้และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือรู้วิธีการไหม เชื่อมั่นไหมตอนที่สุมเมธาดาบทเนี่ยท่านไปชำระทางแผ้วทางทางถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระทีบังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นน่ะท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าหรื อ, อยังแต่ท่านมีความเชื่อมั่นและมีความเห็นว่าท่านอยากจะเป็นเหมือนท่านบุนี้ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยทีนี้เพียงแค่อยากจะเป็นอย่างเดียวไม่พอแล้วท่านก็เลยต้องการอยากว่าจะทําอะไรเพื่อวัดศักยภาพวัดความสามารถวัดวัดความทุ่มเทวัดความเชื่อมัน่นวัดความก ล, กล้าวัดกําลังของสติวัดของความอดทนตั้งมัน่นวัดสภาพของปัญญาของท่านเนี่ยท่านก็ อุทานออกมาตลอดในขณะที่ท่านแผ่วทางทา ง, ทางพุทโธพุทโธตลอดคือท่านจะเป็นให้ได้ท่านปรารถนารู้สึกว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินและท่านมองดูว่าศักยภาพของท่านเนี่ยท่านจะต้องทําให้ได้ทําให้ถึงจะต้องเข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าให้จงได้เอะไรเราจะประกาศยืนยันต่อหน้าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละเพราะท่านเชื่ออย่างนั้น ท่านเห็นอย่างนั้นท่านก็ประกาศถวายอัตภาพถวายชีวิตเลยท่านก็มองไปเลยว่าเนี่ยที่ท่านแพร่ทางทางไม่ทันเสร็จหนะ้าที่ตรงนี้ที่มีท้องร่องมีโครนตมนี่แหละท่านก็ดํำลี่ว่าเอาละแล้วจะถวายอัตภาพถวายชีวิตนี้เป็นพุทธ บ, บูชานอนราบกับพื้นตั้ง จิตที่มั่นคงถวายตนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สี่แสนรูปเลยว่ า, าพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้เปื้อนโคลเปื้อนฝุ่นเลยแม้เท้าของพระอรหันต์สี่แสนรูปก็จะได้เปื้อนเลยจงเหยียบไปบนศรีรษะบนแผ่นหลังของท่านด้วยด้วยความด้วยความปลอดภัยเถอดแล้วขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์สี่แสนรูปจงอนุเคราะห์ท่านต้องการประโยชน์สูงสุด คือความเป็นสัมมาสัมพุทธะท่านก็นอนราบแล้วก็อาราธนาประนมมือว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดจงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดบางท่นเถิดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นต้นเหล่านี้นะไอ้อย่างนี้เห็นไหมคนที่ปรารถนาอยากให้เห็นว่าความเป็นพระพุทธเจ้าดีที่สุด บางท่านก็เห็นว่าความเป็นพระปัเจกพรุทธเจ้าดีที่สุดบางท่านก็มีความเห็นว่าอครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายดีที่สุดบางท่านก็เห็นว่ามหาสาวกดีที่สุดบางท่านก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์ดีที่สุดบางท่านก็บอกเป็นภิกษุณีวาสกบาลิกาที่บรรลุธรรมดีที่สุดแต่เป้าหมายคือนิพพานนี่ดีที่สุดพอตั้งเป้าหมายอย่างนี้เสเสร็จปุ๊บมีความเห็นอย่างนั้นปุ๊บก็ ศึกษาเรียนรู้ว่าจะทำความเห็นของตนเองให้เป็นความจริงได้อย่างไรเอาละไ น, นการระดมการศึกษาเรียนรู้การฝึกผลพัฒนามันมาได้ด้วยด้วยเอาความเห็นของตนเองทัศนคติเต็มให้ตรงเพราะศีลและทิฏฐิที่ตรงหรือความเห็นที่ตรงถึงจะเป็นเบื้องต้นของมรรคพระพุทรย์จะเป็นเบื้องต้นแห่งการรู้ทําเป็นต้นได้ใช่ไพวกเราเนี่ยมันมีทัศนคติหรือความเห็นเนี่ย มันคดๆงอๆนะแต่เราอาศัยสุตตวาริยาสาวโกโอ้สุตตะข้อมูลของพระรยะเจ้านี่แหละมาปรับทัศนคติมาปรับความเห็นของเราเพื่อจะให้ตรงศีลเนี่ยปกติของเรามันก็ไม่ตรงหรอกมันคดๆงอๆนะศีลของพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นอริยากาตศีลไม่ได้เป็นอปปามัสศีลยังเป็นศีลที่ผ้าริยบุคคลไม่ชื่นชมรักให้ เป็นศีลที่ไม่เป็นไปเพื่อจุดหมายของความพ้นทุกข์จริงหรอกเบื้องต้นจริงๆก็ที่เราประพฤติศีลกันอ๋อรู้สึกว่าไม่อยากจะทําให้ใครเดือดร้อนหรือเพื่อความเรียบร้อยดีงามของสังคมเพื่อไม่ได้เบียดเบียนใครบางทีมันก็วนๆอยู่แค่นี้แหละแต่ศีลเหล่านี้มันไม่ได้มีตัวปัญญาที่เป็นตัวชําระเพื่อจุดหมายเพื่ออนุ ป, ปาทานปรินิพานใช่ไหมแต่พอเราได้สุดตะได้ข้อมูลของภาริยะปุ๊บ นี่แหละมันก็เริ่มมาชําระแล้วว่าเราจะทําศีลทําความเห็นของตนเองให้ตรงเป็นไปตามมัชิมาปฏิปทาอย่างไรเนี่ยมันก็เลยมามาเข้าหลักแห่งการมาชําระศีลและทิฏฐิของตนเองให้ตรงงนี้เป็นต้นเหมือนอัธยาสายัยเราต้องมาปรับใช่ไหมปกติเรามีอะไรหนึ่งการมราคาโนใสใช่ไหมที่มันฝังแน่นในขันทสันดานเนี่ยความติดใจใฝ่กระสันเนี่ยลองได้เหตุปัจจัยเมื่ อ, อไหร่ที่ พรวดออกมาทันที 2. ปฏิคานุสัยความเครียดความโกรธทั้งหลายอย่าลืมนะโกรธทุกครั้งความโกรธไม่เคยถูกชำระเลยก็ดาวน์โหลดลงเป็นอัธยาศัยเป็นอนุสัยใช่ไหมโลภทุกครั้งก็ดาวน์โหลดลงเป็นการมาราคานุสัยโกรธทุกครั้งก็ดาวน์โหลดลงเป็นปฏิคานุสัยเห็นผิดทุกครั้งก็เป็นดาวน์โหลดลงเป็นทิฏฐานุสัยยกตนชูตนเปรียบเทตนทุกครั้งก็ดาวน์โหลดลงเป็นมานานุสัยใช่ไหม ลังเลสงสัยแต่ละครั้งก็ดาวน์โหลดลงมาเป็นวิจิตกิจานุสัยติดแน่นในขันในภพเมื่อไรก็ดาวน์โหลดลงเป็นภาวะราคานุสัยมันเป็นอย่างนี้มันถึงแน่นหนาโอ้โหอยู่ใต้ดินนี่เต็มไปหมดแน่นปึก <laughs> อย่างหนาเลยยิ่งกว่าตาช้าง <laughs> ใช่ไหมเนี่ยเนี่ ย, ยกิเลสที่มันมันแน่นอยู่อย่าแปลกใจว่าที่มันนั่งสงบสงี่ยมเป็นคนดีเนี่ย มันยังไม่ได้เหตุปัจจัยนะอย่าแย่ๆนะ <ś led> แย่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหยังไม่อยู่เลยนะเจ็บไหมล่ะตราบใดยังมีโมโนธรรมเนี่ยยังมีกุศลธรรมหรือยังเดินกุศลกรรมบทได้อยู่เนี่ยเขาเรียกเป็นคนดีในอัตภาพเดียวอยู่ดีในอัตภาพเดียวเนี่ยเราชำระศีลดีสภาพจิตแล้วก็ดีเนี่ยนะแต่อีข้างร่างลึกๆ ที่เรียกว่าอนุใส่ที่มันนอนอยู่ในขันธสันดานเต็มไปหมดเต็มไปหมดอารมณ์อะไรที่เคยยินดีเพลิดเพลินเรียบร้อยกระตุกการมราคาอนุสัยขึ้นมาทุกครั้งอารมณ์อะไรที่ไม่พอใจไปเห็นไปเกี่ยวข้องอะไรก็กระตุกปฏิคาอนุสัยขึ้นมาจากจากอนุสัยขึ้นมาเป็นปฏิยุทธนะจากปริยุทธนะผักออกมาเป็นวิติกามา นี่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นที่ว่าคนที่ยังมีกิเลสเป็นอนุสัยอยู่นี่เขาเรียกคนดีนะเนี่ยพวกเราเนี่ยนั่งสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเหมือนนางเวเทหิกา <c oughs> ใช่ไหมดีนะไม่มีนางกาลีซึ่งเป็นสาวใช้มาท ด, อดสอบถ้าทดสอบเนี่ยนางเวเทฮิกาแค่เอาลิ้มประตูคว้างหัวแตกถ้าอย่างเราเนี่ยสงสัย <laughs> ไม่ใช่กวางหัวแตกอย่างเดียวนะเพื่อเพอเโหเล่นอีกเยอะเลยตามเช็ดตามลา้างก็อีกเยอะเลยจริงไหมถามว่าจริงๆรเนี่ยเราเนี่ยนางเวเทฮิกาเนี่ยเป็นคนสงบส ง, สงบสงบสงบเสงี่ยมเที้ยมตนเป็นคนใจเย็นเนี่ยกับเราเนี่ยใครเย็นกว่ากันใครเย็นกว่ากันให้ยอมใครเย็นกว่ากัน ฮะนางเว ท, ทีกาเย็นกว่าหรือโยมเย็นกว่าฮ ะ, าะาอ๋อเย็นกว่าสแสดงว่ายมเคยขว้าง <laughs> <c oughs> เคยัหยไม่เคยเนี่ยเนี่ยงั้น ต, ตราบใดที่เรายังเนี่ยลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าอัธยาไออนุสัยของเราเนี่ยมันยังไม่ถูกชำระด้วยยานปัญญาปัญญาที่ไปประชุมในมรรคยานทั้งสี่นั่นแหละถึงจะถอน ถอนอนุใสมีการมาราคาอนุสัยเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมเราให้หมดสิ้นจากขันทันดานหรือกระแสชีวิตได้นั้นพวกเราเนี่ยเป็นคนดีเพราะเพราะยังมีความละอายชั่วกลัวบาปอยู่ยังมีศรัทธาอยู่ยังมีความอดทนได้อยู่ยังมีเมตตาเป็นต้นอยู่เท่านั้นแหละที่ยังเป็นบางทีก็เส้นบางด้วย ฮิลิอตปะบางไหมหรือของเราหเตรียมหนาแน่นเลยมามุมไหนก็ไม่ไม่สามารถทำบาปได้หรือว่าเมตตาเราแข็งแรงมากอดทนก็แข็งแรงมากศรัทธาเรามั่นคงไม่หวั่นไหวเลยเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าอัญเชิญแทบไม่มาเลยยามโกรธอัญเชิญศรัทธามาไหมเรียกหาไม่รู้หายไปไหนก็ไม่รู home, really or, so ้เห so ็นไหมว่าเนี่ยไอตัวทุกครั้งที่กิเลสเกิด แบบเป็นพฤติกรรมมามันก็ดาวน์โหลดลงทีนี้เอาใหม่เราจะแก้ยังไงจากมีอนุใส่เนี่ยฝังแน่นในขันธสันดานแต่เราจะทําอัธยาศัยใหม่จะทํำยังไงถามว่าเรามีอัธยาศัยในการให้หรืออัธยาศัยในการตณีถามหน่อยเรามีอัธยาศัยในการให้หรือมีอัธยาศัยในตณี เราเห็นโทษของการของความตนีหรือเห็นโทษของการให้เราเราเห็นเราเห็นอาคารหลังนี้เป็นวัตถุเป็นเป็นวัตถุทานไหมเห็นเป็นวัตถุทานไหมอาคารหลังเนี้ยเรามองอาคารหลังนี้ปุ๊บเนี่ยเราเห็นโอ้เนี่ย คนเขาน้อมในการที่จะสละให้อาคารหลังนี้ยให้กับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินเป็นต้นเหล่นี้หรือมองเป็นวัตถุกรรมเรามองเป็นวัตถุกรรมหรือมองเป็นวัตถุฐานถ้ามองเป็นวัตถุกรรมมันจะได้อะไรชอบใจกับไม่ชอบใจเรามาอยู่บริเวณวเรามาอยู่ที่ถึงเรี่ยโอชอบกับไม่ชอบนี่เป็นวัตถุกรรมนะถ้ามองเป็นวัตถุฐานก็คือว่า ที่ตรงนี้ได้ให้ความปลอดภัยในชีวิตได้ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินได้เป็นที่ให้ทานได้เป็นที่ให้อพัยทานได้เป็นที่ให้ธรรมทานโอ้มองอย่างนี้เป็นวัตถุทานเลยใช่ไหมเรามองอย่างนั้นจริงๆริงไมตั้งแต่แวบเข้ามาเลยหรือว่าแหมอาคาเหล่านี้ชอบใจไม่ชอบใจมันมองยังไงมองเป็นวัตถุกลามหรือวัตถุทานจริงๆก็คือวัตถุกลามพอมองเป็นวัตถุกลามขึ้นมาพอจบกิจกรรมนั้นการมราคานุสัยก็ฝังแน่น ถ้ามองเป็นวัตถุทานอัธยาศัยในการให้ในการสละมันก็ฝังฝังเหมือนกันนะมันก็ดาวน์โหลดลงเหมือนกันทุกเรื่องที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันสร้างอัธยาศัยในการให้เอาเราเห็นกระแสะชีวิตของมนุษย์เนี่ยเราเคยคิดว่าจะให้ความปลอดภัยในชีวิตเขาไหมทุกคนเลยที่เราเกี่ยวข้องขอให้เขาอายุยืนขอให้เขาปลอดภัยทุกครั้งเลยไหมคิดถึงใครแม่คิดถึงพ่อหรือว่าพ่อทํางนี้ได้ยังไงเนี่ย ไม่เข้าท่าเลยว่ากันนะไอ้อย่างนี้เป็นเป็นอภัยทานไหมเวลามองกับพ่อแล้วคิดกับพ่อแบบนี้มองกับแม่คิดกับแม่ไม่เป็นอภัยทานไหมเป็นอะไรก็เห็นพ่อเห็นแม่เป็นวัตถุกรรมก็ชอบใจแล้วไม่ชอบใจเห็นไหมกตณีก็ไม่เป็นอภัยทานไม่ให้อีกไม่สละอีกแทนที่จะสละราคาโทสะโมหะแต่ก็ฝังแน่นราคาโทสะโมหะแปลว่าเราไม่ทําอัธยาศัยในการที่จะ ชอบให้แล้วหนึ่งเราเจอเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในะเราคิดไหมว่าเราจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยวัตถุทานอย่างไรเนอเราจะอนุเคราะห์ด้วยอภัยทานข้อไหนเนอเราจะให้ธรรมทานท่านบนนี้อย่างไรดีเนอเราเราคิดอย่างนี้ไหมทุกครั้งเมื่อเจอสิ่งที่มีชีวิตหรือคิดถึงสิ่งที่มีชีวิตคิดแบบนี้ทุกครั้งไหมหรือว่า ดูมันแต่งตัวดู ด, ดูดูมันทำหน้าดูๆูดูมันเดินเนี่ดูนี่ยถามว่าอย่างนี้เป็นอะไรเป็นวัตถุกรรมไหมหล่ะเห็นไหมไม่ได้เป็นวัตถุทานไม่ได้มองว่าเราจะให้วัตถุทานเออัยาทานเลยธรรมทานเลยนะสรุปแล้วเนี่ยเรายังเป็นคนมีอัธยาศัยในการให้ไหม่ถามจริงหรือมีอัธยาศัยในการตณีไอเนี่ย <c oughs> ต้องไปสร้างแล้วกลับไปต้องไปสร้างอัธยาสัยกัน ตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปใช่ไหมอัธยาศัยในการที่จะรักษาศีลจเจริญศีลก็อัธยาศัยมีอัธยาศัยได้เห็นโทษของความทุศีลไหมเห็น <He S 2> ไม่เห็นว่าความทุศีลความที่ศีลขาดเนี่ยเป็นความวิบัติเป็นความเสียหายอย่างยิ่งถามว่าเวลาไปกู้กับระเบิดเนี่ยถามว่าตอนนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังไหม ระมัดระวังอย่างยิ่งไหมมันหมายถึงอะไรถ้าพลาดถ้าศีลไม่มีเนี่ยเราเคยคิดไหมถ้าศีลมันขาดไปเนี่ยชีวิตเราวิบัติแล้วเคยคิดขนาดนั้นไหมคนศีรษะขาดเนี่ย ค, ควรมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่ได้คนศีลขาดคุณธรรมทั้งหลายจะตั้งอยู่ได้หรือไม่ได้เคยคิดถึงขนาดนั้นไหมศีลสําคัญกว่าชีวิต อ ว, ยะวะัยวะญาติและก็ทรัพย์ไม่ต้องพูดถึงเคยคิดไม่ว่าศีลสำคัญกว่าชีวิตหรือชีวิตสำคัญกว่าศีลเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามลาเนี่ยสิกขาบทแปประการเนี่ยแปลว่าเราจะลาออกจากความเป็นพุรรทธิบัิษัทใช่ไหม <c oughs> ใช่หรือไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เพียง <c oughs> แต่ลาออกจากสิกขาบทเท่าไหร่ เพื่อไปรับเอานี่เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกไยสูงหรือไฟต่ำขอโทษขออภัยคำนี้คำนี้คานี้ห้ามบันทึกต่ออันนี้อันนี้เป็นคำพูดหลุดเขาเรียกเป็นสับติดปากเมื่อกี้ไม่ได้ตังใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยี 4-5 มันสะดวกต่อการบินครวัส บ, บอกบย่างถ้าเป็นใช้สินแปดรอศิกาบทแปดประการการใช้ชีวิตจะไม่ค่อยคล่องตัวจริงไหม <c oughs> นั่นใช้ทันทีเลยโย <c oughs> ตอกหลมแล้วเนี่ยที <c> ่ <oughs> จริงฮะ <c oughs> อ๋อโอเคใช้ได้สินแปดไม่สะดวกนี่เามาเอาเหลือสักแปดข้อเอาทิ้งไปสัก <c oughs> ดีไหมโย <c oughs> คือจริงๆเนี่ยนะตอนนี้ก็พวกเราเข้าใจเรื่องศีลแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเจริญได้ค่อนข้างมากเพราะถ้าศีลแปดเป็นเรื่องการขัดเกลากันใช่ไหมขัดเกลาตัวเองเพื่อไม่ตามใจตัญหาแบบสุดๆเลยนะตั้งแต่เที่ยงไปแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นความเดือดร้อนของการละวาดมาเพราะอาหารที่อร่อยที่สุดคือมือเย็นใช่ไหมอย่างเงีย้ยเป็นต้น อัธยาศัยในการออกจากกามเห็นโทษของการคุกคีคุกคีกับกามมคุณเรามีอัธยาศัยในการที่จะน้อมออกจากกามาคุณหรือมีอัธยาศัยในการคุกคีกับกามมีอัธยาศัยน้อมออกจากกามหรือคุกคีกับกามาคุณเราชอบสามะคีหรือคุกคีฮะเราเป็นคนชอบสามะคีหรือคุกคี คุกครีเนี่ยเป็นชื่อของการอยู่กับตันหาเช่นพอเราตันหาเกิดขึ้นความทยานอยากเกิดขึ้นมันก็อยากจะสัมผัสรูปสวยๆอยากได้เสียงเพ้อๆอยากได้กลิ่นหอมๆ อ, อยากได้รสอร่อยอยากได้สัมผัสนิ่มๆอยากได้บรรยากาศที่ดีๆมันก็จะยินดีเพลิดเพลิ น, นอย่างเงี้ยตอนให้อยู่กันหลายๆคนแต่มีจิตใจหมกมุ่นกับตันหากันอยู่อย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่า ค, คลุกครีแม้อยู่คนเดียวเขาก็เรียกว่า ค, คลุกครี แต่ถ้าสามคัคคีมันเป็นเรื่องของการประชุมธรรมะเช่นธรรมศีลสมาธิปัญญาให้เกิดในกระแสะชีวิตทำฉันทะวิริยะจิตตปัญญาให้เกิดขึ้นทำพรมวิหารสีให้เกิดขึ้นประชมคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแม้ไปเมื่อคุณธรรมเกิดขึ้นภายในกระแสะของความคิดมีความรักความ ปรารถนาดีความเอือ้อทอนมีความกรุณาปรารถนาให้คนอื่นพ้นจากทุกมีความพอยินดีกับบุคคลที่ทําสิ่งที่ดีแล้วก็มีการวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวต่อการได้รับเสื่อมราบปนไอ้กรณีอย่างเงี้ยทาสามคัคคีทําให้เกิดขึ้นถึงแม้เราจะอยู่ในหมู่คณะก็เชื่อมโยงให้เป็นไปก็ในความรักความปรารถนาดีซึ่งกันและกันอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าคุกคีเขาเรียกว่าสามคัคคีเราเป็นบุคคลที่น้อมจิต ออกจากความคลุกคลีจากตันหามานาทิฏฐิหรือเป็นคนที่ชอบคลุกคลีกับตันหามานาทิฏฐิชอบแบบไหนถ้าหากว่าชอบคลุกคลีเขาเรียกไม่มีเนคขมมะไม่มีอธัธยาศัยในการที่จะน้อมออกจากกรามต่อให้มาอยู่ที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยพอมาทิฏมามาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมก็อยากจะได้ต้นไม้สวยๆอยากจะได้ ห้องปฏิบัติสวยๆอยากจะได้เสื้อผ้าสวย ๆ, ๆมันก็มาครุกลีอยู่ดีใช่ไหมตัญหามันตามมาด้วยนี่อัธยาศัยในการใ่รู้ความจริงกับอัธยาศัยในการไม่ชอบรู้เราชอบโมหะหรือชอบปัญญาชอบปัญญาหรือชอบโมหะเป็นคนใ่หากระตือรือร้อนหาปัญญาอยู่ตลอดเวลาจริงไหมเหมือนพระถือการบินทบาทเป็นวัดเลยไห วันนี้ทาไม่ได้ปัญญานี่รู้สึกมันรู้สึกาแหมเหมือนขาดอะไรอย่างมากเลยเป็นอย่างนั้นไหมหิวปัญญาหิวข้อมูลหิวความรู้หิวข้อมูลทางดำเนินที่ไปสู่ความนทุกข์ถ้าใครบอกทางทางดำเนินที่จะไปสู่ความทุกข์เนี่ยฟังเป็นวันก็ได้สองวันสามวันก็ได้คอยได้ข้อมูลนี่เถอะฟังเสร็จแล้วเขาจะตัดศรีรษะแล้วขาดยังยอมเลยขนาดนั้นไหม <c oughs> ยังไม่ถึง ใช่ไหมยังไม่ถึงสรุปแล้วเราเป็นคนายปัญญาหรือายโมหะจริงไหมที่มานี่ก็ชอบปัญญาใช่ไหมเพราะปัญญาเป็นปฏิเป็นแสงสว่างชีวิตที่มันเดินผิดทางเพราะขาดอะไรขาดปัญญาขาดแสงสว่างเนาะฉะนั้นขอให้เราายปัญญาถ้ามีอัตยาสายอย่างนี้จะเป็นคนมีปัญญามีอัตยาสายเราเป็นคนปารบความเพียรหรือปารบความเกียจค้าน ถามจริงๆชอบเฉยไหมเฉยไม่ชอบกระตือรือร้นได้อากาศเย็นๆก็หลับอะไรเงน้นนะได้คำพูดดีๆก็ติดอยู่งั้นนะไม่ไปต่อแล้วเป็นแบบนั้นไหมหรือบอกไม่ได้กระตือรือร้นบุกฝ่าตลอดก้าวไปใจสู้บุฝกฝ่าเกล้ากล้าไม่กลัวอุปสรรค เห็นปัญหาหรือ er no ัตรศักด์เป็นเวทีทดสอบศักยภาพเป็นอย่างงี้ไหมเป็นหรือเปล่าพอเห็นปัญหาขึ้นมารู้สึกหตื่นเต้นอย่างเรามันต้องเจออย่างนี้แหละอย่างงี้ไหมหรือว่าโอ้ยทุกทีเราไปเจอปัญหาโอ้ยร้องโอ้ยทุกทีถอยถอยกรูดเลยเราเป็นกลุ่มไหนสรุปแล้วชอบปราลบความเพียรหรือปราลบความเกียรด้าน เป็นคนที่มีอัธยาศัยอดทนหรือมีอัธยาศัยไม่อดทนอดทนหมทนแบบตั้งรับหรือทนแบบบุกฝาตั้งรับหรือบุกฝายอมแบบตั้งรับหรือบุกฝาหรือถอยร่น <c oughs> ถอยร่นโอ้ยถอยถอยกรูดเลยเนะี่ยไม่เอาเลย แบบตั้งรับก็เหมือนแผ่นดินใช่ไหมไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวแบบกฝ้าก็เหมือนช้างศึกพระเจ้าบอกว่าสาวกของพระเจ้าเนี่ยเหมือนช้างศึกโอ้โหแกล้วกล้ามากไม่หวั่นไหวต่อลูกศรที่ปลิวมาทั้งในทิศ ท, ทั้งสไม่หวั่นไหวเลยเสียงชมเสียงสรรเสริญเสียงดินทานบกฝ้าจุดหมายคือต้องพ้นทุกข์ให้ได้เป็นอย่างนี้ไหมเรามีอัตฉริยะใสา อดทนหรือไม่อดทนและเรามีอัธยาศัยในการที่พูดจริงทำจริงหรือจริงใจไหมชอบสัจจะไหมหรือว่าชอบไม่ชอบมีสัจจะชอบให้คนอื่นมีสัจจะกับเราหรือต่เราไม่ชอบมีสัจจะกับคนอื่นหรือ ย, อยังไงมาเจอโลกนี้นะอยากโกหกนะแต่แม่เนี่ยโอ้ย จับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็หกแลอวพบอกแม่ทำไมโก็หกนี่มันเป็นความฉลาดนะลูกเนี่ยเนี่เอามาพูดถึงในเรื่องเนี้ถ้าไม่นึกถึงว่าพุทธบริษัทเนี่ยห้ามทำตัวเหมือนสัตว์สองประเภททฤษฎีที่เขาใช้กันทุกวันเนี่ยหนึ่งราชสีสองหมาจิ้งจอกไ <c oughs> อ, อราชสีคือชอบข่ม เจอใครที่มีกำลังน้อยกว่าข่มข่มข ม, ข ม, ขมกดเขาใช่ไหมชอบกดขี่เขาชอบข่มเขาสองทฤษฎีหมาจิ้งจอกก็คือใช้เลขกเท <c oughs> เขาห้ามนักบวชก็ดีหรือว่าพุทธบริษัทก็ดีเนี่ยต้องปฏิบัติตามในเมตตาปริสนะ่ะก็คือซื่อตรงใช่ไหมอ่อนโยนไม่มีมายาไม่มีสายสาธทยาไม่โอ้อวดเป็นต้นเหล่านี้อันนี้หลักหลักหลักทฤษฎีหลักคาสอน ของพู้ได้เจ้านี่ทุกวันนี้โอไม่ได้เลยแต่งงานกันวันแรกนี่ข่มกันเลยแย่งกันจับทัพี <c oughs> เขาตีทฤษฎีว่าใครจับข้างบนคนนั้นจะข่มอีกคนนึงได้โอ้โหมันแย่งกันจนทัพีร่วงเลยเนวะลาจับจะ ต, ตักบาดเลยแย่งเงินเขาถ้าจับข้างล่างแม่ก็สอนมึงระวังไว้นะ <c oughs> อย่าไปจับทัพีใส่บาดเนี่ยั้งจับข้างล่างต้องเป็นทาตมันตลอดไปนะถ้าจับข้างบนจะข่มมันได้ จับคว้าเลยแต่นี้มันจ้องเลยแต่นี้พอจะถึงใส่บาดพระมันจ้องจับคว้าปุ๊บผู้หญิงมันฉลาดกว่ามันจับข้าบนไว้ก่อนผู้ชายบอกเอ้ากูยอมกูยอมทั้งชาย้อนยอมไหมยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมยอมรับความจริงเดี๋ยวนี้อน่ยอมยอมมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้ว ไ ม, ม่ยอมยอมภรรยายอมมากี่ปีแล้วกี่ปีแล้วจะไม่สดุปแลยยอมตลอดไปแต่จริงๆมันคิดไม่ออกเลยต้องยอมไ้ก่อนไม่รู้จะทำไงบอกผมไม่รู้จะพูดไงสัมภาษณ์จะพูดแล้วเขาเขาที่บายเบีดเสร็จหมดตั้งแต่ผมแต่งงานมาเนี่ยผมโง่ไปเยอะเลยท่านอนาจารย์ก เขาบอกเขาบอกว่าพระก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน <laughs> อธิษฐานนะยอมเป็นคนที่มีความตั้งใจมั่นหรือโลเลเกลียดความโลเลไหมชอบความโลเลไหมเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมั่นว่า จะต้องดําเนินกระแสชีวิตตนเองไปสู่จุดหมายปลายทางคือการพ้นทุกข์ให้ได้ถ้าไม่พ้นทุกข์ไม่หยุดไม่ถอนความตั้งใจอย่างเด็ดขาดเป็นคนแบบนี้ไหมมีอัธยาศัยแบบนี้ไหมมีไม่มีหรือว่าก็ไปเรื่อยๆแล้วแต่สถานการณ <c oughs> ์เป็นแบบไหนเป็นคนที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นหรือไม่ตั้งใจมุ่งมั่น ถ้าไม่ตั้งต้องรีบตั้งไหมต้องรีบตั้งจริงๆเพราะว่าตราบใดเราไม่มีความตั้งมั่นแนว่วแนว่และเด็ดเดี่ยวในจุดหมายคือการพ้นทุกข์นักเข้านักเข้ า, า, ามันเป๋และชีวิตนั้นต้องมีอัธยาศัยในการที่จะตั้งอธิษฐานธรรมคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจให้สังเกตด้วยนะว่าอธิษฐานพวกเราเนี่ยกับคำว่าอธิษฐานของพระพุทธเจ้ามางทีคนละเรื่องกันเลย ถ่าที่ฐานพวกเราก็คือร้องขอรอผลโดนบันดาลใช่ไหมเจ้าบะคุณช่วยลูกช้างลูกมาได้เธออะไรอยู่ๆจากคนดีๆเป็นลูกช้างแล้วไปหาหลวงพ่อใครเคยไปขอหลวงพ่อสถอนบังยกมือมาดีๆมีไหมหลวงพ่อวัดไร่ขิงเคยไหมไปขอ ไม่เคยเลยเลยเกิดมาเป็นคนไม่เคยไปขออะไรจะไม่เคยเลยนะเวลาเราอธิษฐานของเราคือขอใช่ไหมขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอให้อายุยืนบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำน บ, บัตดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศส่วนกุศล น, นั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งลอกุตะลาทำก้าวเดีทันทีว่าว่าไงอ่อขอไม่ขอเนี่ยจริงๆแล้วมันควรขอหรือไม่ควรขอ จริงๆคําว่าขอเนี่แปลว่าทำว่าจักทำนะภาษาไทยเรานี่นะต้องเข้าใจนะแต่ขอของเราเดี๋ยวนี้มันขอจริงๆนี่ขอเสร็จแล้วมันนอนรอไอ <laughs> ้เนี่ยเขาห้ามจริงมหมยอมเป็นงั้นจริงไปละไปจุดทูปป้ายไปบอกเจ้าที่เจ้าทางนะว่า ง, งั้นนะหรือไปบอกกับพระพุทธเจ้าบอกอะไรต่างจุดทูปเปสร็จก็ขอตอนนั้นออกมาไปนั่งที่วัดไร่ขิงเข้าไปกราบพระพอดีไปไประชุมไปนั่งยอมก็มา เขย่ปึ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้ง้กลางๆขอกันปั๊บๆมาากันนั่งสักพักหนึ่งมากระิบามท่านท่านขอว่าไงนั่งยอมมายุ่งเลยกับชีวิตป้าผมไม่ได้ขอยอมาำทาไมยอมขอยาแล้วสงสารหลวงพ่อคือเนี้ยเขาขอตามภาษาของเขาไงจริงๆคาว่าขอเนี่ยเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งหายไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที ถ้าไม่ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไม่ทําลายบรรลังนี้เนี่ยขอนี่คืออธิษฐานอธิษฐานแล้วทำนี่คือพุทธศาสนาเป็นแบบนี้อธิษฐานร้องขอรอผลโดนบรรดาลไปนอนรออันนี้เป็นอธิษฐานแบบเหมือนนับถือแบบเทพเจ้าเราเป็นพุทธบริษัทแล้วเราควรขอแบบไหนขอแล้วทำที่เราขอว่าขอให้บรรลุเนี่ย แปลว่าเราจะทำให้เข้าถึงการบรรลุนั้นให้ได้ไม่ถอนความตั้งใจอย่างเด็ดขาดแต่บางคนเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยเคยั้มแต่งงานกันใหม่ๆก็วบอกขอให้เจอกันทุกพบทุกชาติพอได้ไปสักสามสี่ปีบอกมหาพาพบอกเอ๊ะท่านยอบฏิฐานจะอยู่ไอ้คนนี้ตอนนี้มันไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วแล้วจะทำยังไงต่อเคยไหมอ้าแต่ก่อนมันรักกันใช่ไหม แล้ที่ฐานกัน จ, จนโอ้โหเบ็ดเสร็จแต่พออยู่ต่อมาเฮ้ยมันจะกเบื่อแล้วแล้วจะถอนความตั้งใจทำยังไงดีถอนได้ไหมจริงๆได้หรือไม่ได้อไ ด, ได้ก็เราทำอยู่เรื่อยอยู่แล้ว <S <S แต่จริงๆที่ทำแล้วมั น, มนสำเร็จผลไปนะแต่ต้องตั้งใหม่เดี๋ยวยงี้คืออย่างนี้เมื่อสักครู่เรามาขอขมาขอโทษขออุดโทษ ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีกรรมหน้าที่เตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทาแล้วในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในครูบาอาจารย์ใช่ไหมขอให้พระรานะต่ไอ้อดโทษเนี่ยเรื่องนี้ยถ้าเราดูอย่างพระเจ้าชาติสตรูพระเจ้าชาติสัตว์จะทำผิดต่อใครทําผิดต่อต่อใครพระเจ้าชาติตว์ฆ่าใครฆ่าพ่อใช่ไหมฆ่าพระเจ้าพิมพิสารแล้วทําอะไรอีกปะทุสรายพระพุทธเจ้าด้วยไหม ต่อมาเนี่ยพอจิตสำนึกเกิดขึ้นมาพระเจ้าชาติสตูไปเฝ้าพระเจ้าที่ชีวะกะอัมภวันน่ในสามัญพลสูรูรไปดูในที่ขณิกาศีลขันธวัชไปพร้อมด้วยหมุกกลุ่มอมหมายตอนนั้นก็คือหมอชีวกกมรพัฒ์พาไปไปเฝ้าพระเจ้าไปขออดโทษ ข้าพเจ้าเป็นผู้โง่เขลาเป็นผู้กระทาผิดต่อพระรัตนตรยัยพ่อเนี่ยเป็นเป็นพระโสดาบันด้วยนนฉะนั้นในขณะที่ใครไปทาปานาติบาทก็ดีทําอธินาทานก็ดีทําการเมสุมิชฌาจารก็ดีมูสาวาจหรือปิสุนาวาจาพรุทสวาจจาสัมปปาพพราปะอภิชาพยาบาทมิชาทิฐิ ท, ทาอกุศลกรรมรบทนั้นชื่อว่าทาผิดต่อพระรัตนตรยัย ทำผิดต่อพระราตรัยนะฉะนั้นการขออดโทษต่อพระราตรัยเนี่ยต้องขอจริงๆถ้าเราเคยละเมิดเคยล่วงเกินเนี่ยต้องขอจริงๆต้องทำจิตสำนึกให้เกิดขึ้นจริงๆนะเพื่อขออดโทษนั่นจริงๆนะพอขออดโทษเนี่ยก็ตั้งอัธยาศัยว่าขออดโทษต่อพระราตรายก็เรียกว่า ปฏิกิริยาปฏิกรร ม, ป ร, รมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามใช่ไหมพอแพ้สงครามต้องชดใช่ใชไหมเขาเรียกปฏิกริยสงครามมาสับเดียวกันเลยปฏิกรริกริยาปฏิกรรมเนี่ยก็คือการทําคืนปรับปรุงตัวเองใหม่แก้ไขตัวเองใหม่ผิดตรงที่พฤติกรรมแก้ที่พฤติกรรมผิดที่จิตใจแก้ที่จิตใจผิดที่ทัศนคติความเห็นแก้ที่ทัศนคติความเห็น ว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยขอปฏิกรรมตัวเองใหม่เพื่อจะแก้ไขปรับปรุงตนเองเนะถ้าทําทุจริตทางกายก็แก้ใหม่มาเป็นสุจริตทุจริตทางวาจาก็แก้ใหม่มาทำวิจิสุจริตทุจริตทางใจก็แก้จะเป็นสุจริตนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปเนี่ยขอพระรัตนตรยัยโปรดอดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยถ้าพระเจ้ายังมีพระชนอยู่พระเจ้าจะบอกว่าเมื่อเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วมาปฏิกรรมตัวเองใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่นี้เป็นความเจริญงอกงามในตามแบบอย่างวินัยของอริยชนเนี่ยเธอจะเข้าถึงความเจริญงอกงามนี่พระพุทธเจ้าจะบอกแบบนี้เมื่อสักครู่ที่เรามาขอปฏิกรรมก็เหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่หรือธรรมะตอนนี้ก็จะบอกกับพวกเราบอกว่าเมื่อเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษมาปฏิกรรมตัวเอ ง, งแก้ไขปรปับปรุงใหม่นี้เป็นความเจริญงอกงามในวินัยตามแบบอย่างของอริยชน ตถาคตยอมอดโทษให้ถึงเ mm hmm. นี่ยถ้าเราสํานึกอย่างนี้ปุ๊บมันมันถึงจะชัดว่าอ๋อพระุทธเจ้าอดโทษให้เราแล้วแต่ไม่ใช่พรุ่งนี้ไปทำใหม่ <laughs> เข้าใจใช่ไหมอธิษฐานเข้าใจคำอธิษฐานแล้วนะทีนี้เห็นโทษของโทสะไหมพวกเราเห็นคุณของเมตตาไหม มีอัธยาศัยน้อมที่จะทำให้เมตตามโนกรรมเกิดจริงๆเมตตาวิจีกรรมเกิดจริงๆเมตตากายกรรมเกิดจริงๆทําเมตตาเกิดขึ้นอย่างติดต่อต่อเนื่องจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีอัธยาศัยที่น้อมไปในเมตตาและก็สุดท้ายก็มีอัธยาศัยในการวางใจเป็นกลางไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสรเสริญสุขละทุก หมูสัตว์ทั้งหลายวันไหวไหมยอมยังหวันไหวอยู่ไหมฉะนั้นจงน้อมใจสร้างอัธยาศัยวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะทําปัญญาทําความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นจะเอาคุณธรรมมาประชุมไว้ในใจในกระแสะชีวิตจะไม่วันไหวในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเข้าใจสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมีลาบกระเสื่อมลาบมีอยู่ตลอดเวลาไหมในชีวิตมนุษย์ตลอดเวลา มีลาบเสื่อมลาบมียอดเสืออนนเส่อมยอดตอนเนี้ยมันวัยเสื่อมยอดหรือเสื่อมยอดหรือได้ยศนินทาสารเสริญตอนเนี้ยใครเห็นเราสารเสรินไหมโอ้โหแก่ขึ้นเป็นกองดีจริงๆแม่คุณเอ้ยแก่อย่างเงี้ยเขาสารเสรินไ้มล่ะเมื่อกี้จะนินทาเดินก็ช้าฟังก็ไม่รู้เรื่อง บอกไปแล้วก็ลืมเนี่ยเาินทาแล้วก็สรรเสริญเนี่ยมันเห็นไหมผมก็งอกหนังก็เหี่ยวยน่นสรีละก็โคงงอตาก็ฟ้ามัวหูก็ตึงอ่นินทา้าสรรเสริญต้องหวั่นไหวไหมแต่ก่อนยมพ่อเนี่ยมาเป็นเด็กๆ ก, ก็บอกพ่อทำไมเป็น เออไม่เอาไปหรอกเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ให้หมดเดินลูกเราก็ไมไ่อะไรสมัยพ่อทุกโยนที่ทิ้งให้เราหมดที่ไหนได้จริงโลกกระทำได้ราบเสริมราบได้ยศเสริญยศนินทาสารเสริญสุกขกระทุกเกิดตลอดเวลาไห้สุกขกระทุกเกิดตลอดเวลาแม้อย่างแม้ฉันใดกระแสชีวิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายเจอโลกกระทำอยู่ทุกวินาทีแต่เราจะเข้าใจไหมกระทุกวินาที ฉะนั้นหมู่สัตว์ก็เลยพากันดิ้นรนกระเสือกกระสนอยากจะมีลาบมียอดสุขสารเสริญจะเอามุมเดียวอยากจะเกิดมาเพื่อได้มุมเดียวมันทําได้ไหมเราแต่ส่วนที่เสียไม่ยอมเช่นอย่างเกิดเนี่ยเพราะเจ็บไม่เอางแก่ไม่เอาตายไม่เอาจะเอาเกิดนี่โอ้โหนี่มันผิดหวังหมดผิดหวังหมดฉะนั้นถ้าไม่ปรารถนา ที่จะต้องมาจมอยู่ในโลกธรรมเหล่านี้ก็จงนิพพานโดยเร็วมีทางเดียวเท่านั้นถ้าไม่นิพพานเจ็บปวดแน่ผิดหวังแน่แล้วก็ประสบชาติทุกชรลาทุกปยาทุทกมรณะทุกอย่างแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เอาแล้วอามานี่ให้โอวาทยาวไปหน่อยแล้ว <laughs> มีใครติดข้องข้อใจอะไรที่ปรารถนาอยากจะสอบถามอะไรไหม ทางนั้นเดี๋ยวจะแจกวิทยุสําหรับที่คนยังไม่ได้นะเชิญออกมารับให้ท่านเจ้าวาดเป็นผู้แจก อ, าอ้าวยอมเชิญได้ไดยอมที่ปรารถนาวิทยุธรรมะแจกออกมารับนนเลย เ, เลยจ้าคะ่ะพระอาจารย์แจกตอนนี้เลยเหรอเจ้าคะ่ะใช่เราแจกตอนจบเลยดีไหมคะแจกรับแล้วก็จะได้เก็บบัตรชนะแล้วก็ตั้งถ่ายรูป Oh, จะดีกว่าไมเจ้าคะ น, นี่ใกล้จะจบแล้วไม่ใช่เอองั้นเดี๋ยวมีมีใครอยากถามอะไรไหมอ้าวเชิญเขาอากาศ น, นะคะเออไปงานบวถหลายหลายห ล, ายหลายงานนะคะท่านเวลาพาท่านออกจากโบสถ์อะคะ่ะเห็นญาติโยมยืนเป็นแถวแล้วก็เอาปัจจัยใส่ในย่าม <c oughs> ไม่ทราบว่าจะเป็นบุญไหมคะเห็นบอกว่าจะเป็นพาที่บริสุทธิ์ออกมาก็เลยอยากทำบุญกันตรงนั้น <c oughs> อามาก็เจอแบบนี้อตอนบวชเนนะี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวเล่าให้ฟังนี้เดี๋ยวเล่าเล่าให้ฟังสังคมไทยเราเนี่ยไปเรียนแบบมาจากลังกาเนาะ <c oughs> มีเรื่องแบบนี้ยอมเรื่องก็คือว่ามีในยุคนั้นเน่ยประเทศลังกาเนี่เจเริญมากพุทธศาสนา เริ่มเคลื่อนย้ายตัวจากจากอินเดียไปสู่ลังกาก็มีคณ า, าบุรีท่านหนึ่งเป็นคนรวยมากอยู่อยู่อินเดียเนี่ยต้องการอยากจะข้ามทะเลข้ามทะเลม า, าส่วนอินเดียเข้าไปลังกาก็เลยทิ้งสมบัติทั้งหมดแล้วก็บอกลาญาติมิตรตนเองก็เลยไปที่ท่าเรือพอไปที่ท่าเรือเบีเสร็จแล้วก็ ไปนั่งต้องรอเรือกว่าจะออกเป็นเดือนๆในยุคนั้นเนี่ยด้วยความเป็นคนฉลาดเป็นนักการค้าระดับระดับเอกอู่เป็นมือบริหารด้วยพอไปนั่งอยู่พักหนึ่งก็เห็นท่าเรือเนี่ยท่าเรือที่ขนส่งสินค้าหลายๆจุดก็ตั้งเดือนหนึ่งก็ไม่รู้จะทําไงพอพักอยู่ตรงนั้นนะอยากนั้นเลยหาเงินใช้เ ล, เล่นๆดีกว่าด้วยความฉลาดนี่เลยก็เลยย้ายจากสินค้าเนี่ยย้ายจากจากไอ้ท่านี้ไปท่านูน้นจากท่านู้นมาท่านี้ ยกยายเนี้ยก็เลยได้ส่วนต่างได้เงินเยอะเลยแค่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งได้เงินเป็นฟ้อนใส่ห่อพกใส่ย่ามมัดใส่เอวแล้วก็เนี่ยคืออยู่ตรงไหนก็หาเงินได้พาะคนฉลาดนี่ลนะปัญญามีสองอย่างใช่ไหมปัญญาหาทรัพย์กับปัญญาแยกบุญแยกบาปบางคนเนี่ยเป็นคนที่ตาบอดตาบอดตาบอดสองตา คือปัญญาหาทรัพย์ก็ไม่มีปัญญาแยกบุญแยกบาปก็ไม่มีเขาเรียก บ, บอดสองข้างบางคนในบอดข้างเดียวก็หมายความว่ามีปัญญาหาทรัพย์แต่ไม่มีปัญญาแยกบุญแยกบาปไม่สนจะเป็นบาปเป็นบุญกูไม่สนคอยได้ทรัพย์ทําหมดเนี่ยคนประเภทนี้ก็ตาข้างเดียวส่วนคนมีตาสองตาก็คือแยกได้มีปัญญาหาทรัพย์ด้วยแล้วก็แยกบุญแยกบาปอะไรเป็นกุศลอะกุศลอะไรเป็นบุญเป็นบาปเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นโทษหรือไม่เป็นโทษแยกได้นี่เขาเรียกก็ ตาบอดเออตาดี2ตาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าต้องตาดี2ตาใช่ไหมต้องตาดี2ตาไม่ใช่ตาบอดข้างเดียวหรือตาบอด2ตาสตานี่แย่ซวยเลยข้างเดียวก็ยังแย่อยู่ดีเพราะไม่แยกไม่รู้จากบุญจากบาปมีแต่ปัญญาหาทรัพย์แต่แยกบุญแยกบาปไม่ได้มันก็แค่ได้อัตภาพเดียวตายแล้วก็ซวยเลยทรนี้ลองอบายทุกขติวินิบาตนะรกเจ็บปวดในสังสารวัฏอีกนั้นแตตาดีสองตา ก, ก็ปลอดภัยพวกเราเป็นคนตาดีสตาไหม สองตาเลยนะจริงเลยาหารับด้วยกลับมาค่าปัวข้ามดในบ้านบ่อย <c oughs> สมสมติอาแต่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะยาวไปเนี่ยอุบาสกเนี่ยเบ็รเสร็จก็ได้รับก็ข้ามเรือไปพอไปถึงฝั่งที่ศรีลังกาก็เข้าหาพระในสนานักมหาวิหารนั่นแหละก็เข้าไปแจ้งความจำงแล้วก็ขอบวชโอ้ชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาเต็มเลยแต่เนี้ย พอเข้าไปหาสงไปประกาศตนเองกับสงไปหาอุบาชาแล้วจะเข้าไปสุทามกลางสงพระก็บอกอุบาศกอะไรในะอยู่ที่อยู่ที่เอวอะ่ะบอกเ ง, งินไม่ได้สมณะเชื้ อ, อาสายสักยบุตรพุทธชิโนรสไม่เกี่ยวข้องเงินและทองเงินและทองเป็นความเศร้าหมองบรมจันนะเพราะงัน้นเี<อ>๋เอา้าสละให้หมดก็เลยเอาออกมาก็เลยดำริบอกว่าอย่ากันนั้นเลย คนที่มาในงานบวชในครั้งนี้จะได้กลับไปมือเปล่าเลยก็เลยเอาแจกทั้งหมดเลยก็เลยเป็นการสละทรัพย์ทั้งหมดแล้วประเพณีเนี่ยพอต่อมาเนี่ยคนไทยเราก็ไปรับมาแต่รับมาครึ่งถึงเวลามาห่อเป็นกระดาษห่อเป็นเงินแล้วแจกแจกแล้วไม่สละจริงๆไงจริงๆก็ให้สละทั้งหมดสละทั้งหมดแล้วไม่ควรรับเงินอีก เพราะเงินและทองเป็นความเศร้าหมองของสมณาใช่ไหมควรจะสละอันนี้ไม่กลับไม่สละซะนี่ยอมก็เลยถือคติว่าบวชใหม่ๆนี่แหละบุญเกิดดีนักให้ท่านต้องอบัตวันแรกเลย <laughs> โอ้แต่นี่มันก็เลยเอาเลยเยเต็มบาทเลยอาตมาบวชที่แรกฮะสองพันห้ารอยี่ิบสี่นะมาบวชเนี่ยออกมามาได้เงินสามพันบาทออกมาก็นึกว่า โ, โอ้แต่ก่อนก็ไม่รู้ ใช่ไหบวชมาโอ้ออกมาจากบวชพวกก็ได้เงินเต็มคนไปงานบวชเยอะใส่กันคนละสิบาท20บาทเลยได้เงินกับเขาเนี่ยตะก่อนก็เงาะประเพณีก็มาแบบนี้แต่ก็อย่าไปลังเกียดนะให้เข้าใจว่านี่คือประเพณีแต่เราจะทํำยังไงให้ถูกก็เพียงว่าอย่าให้พระท่านต้องกับบัตถ้าศึกษาเรียนรู้ก็ปฏิบททัติให้มันถูกแต่เนี้ยทากันไปทำไปทำมาหนักเข้าหาตอนเนี้ยสภาพสังคมมันก็แตกแยกกัน คนที่ให้ข้อมูลความรู้ก็ไม่ให้ด้วยปัญญาให้ด้วยทิฐิก็ไปด่ากันนักเข้านักเข้าก็เอาแล้วสิตอเนี้ยก็ไม่ได้ไม่ประสบความสําเร็จแต่เราควรจะให้ข้อมูลให้ความรู้ให้ปัญญานี่แหละที่สาคัญที่สุดฉะนั้นสรุปก็คือว่าเงินและทองก็ถ้าจะให้ก็ให้ให้เป็นถามไวิยวจกรใครเป็นไวิยวจกรของท่านพ่อแม่ท่านมีอยู่พ่อแม่ท่านเป็นไวยาวจกรของท่านอยู่แล้วก็นี่นะ ดิฉันปราถนาจะถวายปัจจัยสี่กับพระบวทใหม่เงินนี้ฝากไว้กับแม่นะฝากไว้กับพ่อนะแล้วถ้าท่านขาดหรืออะไรนะช่วยดูแลท่านด้วยเ พ, เพราะเพราะดิฉันไม่มีโอกาสมาดูแลแต่ถ้ายอมมีโอกาสดูแลยงก็ถือไว้เองเลยท่านขาดน้ําเอาน้ําให้ท่านขาดบาดเอาบาดให้ท่านขาดยีวอนเอายีวอนให้ท่านขาดอะไรต่างๆขาดรถเบน ไม่ได้ไม่หมองอย่างนี้เป็นต้นที่สมควรแก่สมณะบริโภคพอเข้าใจไหมเงียบเลยอ้าวต่อไปเป็นอะไรต่อหมดแล้วเนาะไม่มีท่านใดถามแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวพระอาจารย์ท่านจะไม่ทันพระอาจารย์เจ้าข่ายจะขอโอกาสอีกนิดหนึ่งจ้าค่ะ เนื่องจากชมรมฝ่ายธรรมวันพุธนะคะนำโดยพี่กิ่งการมีความปรารถนาอยากได้ร่วมบุญกับพระอาจารย์ในการเผยแผ่ธรรมใช่ปะก็เลยถวายปัจจัยจํานวน 20,000 บาทเพื่อสมทบทุนในการสร้างเครื่องนี้ค่ะเอ็าเครื่องนี้จะคเปลี่ยนได้ไหมพอดีเอามาจะทําห้องน้ำเอาห้องห้องน้ำได้ไหมอันนี้โยกก็ต้องได้แล้วมั้งคะนะคะพี่กิ่งการค่ะอันนี้ไม่ทราบใช่ปะอ๋องั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามตามวัตถุประสงค์ของเธอ พี่นุษยาไงคะได้ไดอคะค่ะอะได้คะ่ะนะคะได้คะ่ะเมือนก็ร่วมสร้างห้องน้ำกับ<ด>ท่า น, นเจ้าคะ่ะแล้วก็ทางชมรมไปทําวันพุธเช่นเดียวกันเจ้าคะ่ะขอถวายปัจจัยสี่พระอาจารย์ด้วยเจ้าคะ่ะอีกจำนวนสอง0มืบาทเป็นสองรายการด้วยกันเจ้าคะ่ะเรียนเชิญพี่ดาราพรคะ่ะเดี๋ยวเราทุกคนจะได้อนุโมทนาพี่ดาราพร เป็นผู้แทนนะคะของชมรมฝ่ายธรรมบรรพุธแล้วพวกเราก็ได้อนุโมทนาบุญกันนะคะ ทูสาธุสาธุค่ะแล้วกลาบท่านเจ้าอาวาสค่ะท่านพระมหาสุรัตค่ะโยคีก็อยากได้บุญอีกเช่นเดียวกันเจ้าค่ะโยคีได้รวบรวมปัจจัยถวายเป็นปัจจัย4ดันแต่ท่านพระมหาสุรัตค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญโยคีก็ได้ค่ะง่ายๆเป็นผู้แทนพวกเรานะคะ สาธุสาธุสาธุพระพระณะหรอคะพระสันติท่านท่านสันติพะโลค่ะท่านพินุษ์เลยคะ่ะนะคะวารฝากพระอาจารย์เลยคะ่ะ ไม่เป็นไรวางบนผานกันานหมดเนื้อหมดตัวแล้วค่ะสาธุสาธุสาธุาธค่ะพวกเราได้บุญด้วยนะคะเราก็น้อมอนุโมทนาบุญกับทางชมรมฝ่ทําวันพุธของพี่กิงการนะคะค่ะลําดับต่อไปก็คงต้องขอพอรเจพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนจะออกจากหน้าที่นี้จะได้เป็นสิริมงคลกับพวกเราด้วยค่ะ อาตางใจเนาะรั Edge, да? บพรกันศาสนาสาจโลกัสสาวุธีปวัตุสปทาศาสนาปิจโรกัญญาเดียวารคันตุสปทาสถิงโธตุสุขีสเปปุวาเรหิตโนนีคาสุมนาหตุสหัสเพียติพิสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินาภาปังสุปินางปสติมนุษานางปิโยโหติอมนุษานางปิโยโหติ เดวตารคันตินาสักีวาวิสังวาสถังวากรรมติตูทั้งจิตังสมาธิยติมุขวรนโนวิปัสสีทธติอสัมบุณลาโหกาลังกโรติอุตตดิงอภิวิชันโดบรัมโบโคปโคโหติโดยอนุภาพแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมภาริยสง์โดยบุญบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ยอมทั้งหลายจงเป็นผู้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายขอให้เทวดาร <till> ักษา เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอะมนุษย์ทั้งหลายไฟสตรายาพิโรกรา้าย่าได้เบียดเบียนมีสีหน้าที่ผ่องใสมีสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทาการกกลียปรารถนาทรัพปรารถนายศปรารถนาความสุขโดยเฉพาะความสุขคือพระนิพพานให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทือนสาธุสาธุสาธุ เชิญทุกท่านกราบกับพระคุณนะคะท่านพระอาจารย์สมทบแล้วก็ท่านพระอาจารย์พระมหาสุรัต์ค่ะเชิญค่ะกราบกราบกราบ เดี๋ยวโอกาสต่อไปก็พระอาจารย์จะแจกนะคะทำมาให้กับพวกเราแล้วก็เอากลับไปฟังนะคะไม่ใช่เอากลับไปเก็บนะคะต้องฟังจริงจะเกิดประโยชน์แจกเลยนะคะเดี๋ยวตั้งแถวถ่ายรูปเอาเชิญเชแจกพอรับของแจกเสร็จนะคะท่านก็เก็บอัศนะนะคะเก็บอัศนะเก็บของของท่านทั้งหมดแต่เดี๋ยวก็ตั้งแถวนะคะเยอมเข้ายภาพพร้ามกับเป็นแถวเลยค่ะเป็นแถวนะคะเป็นระเบียบเลยค่ะ ถ, ถ้าคารเขาไม่ไหวก็เดินค่ะถ้าไปที่ท่านอาจารย์อ๋ อ, อมีเพื่อนเราจะถวายน้ำผึ้งนะคะเราจะได้อนุโมทนาด้วยถวายน้ำผึ้งแต่พระอาจารย์มีท่านใดจะถวายอะไรอีกไหมคะ สาธุสาธุสาธุนะคะอ่ามีพี่พิมพ์นะคะพี่พิมพ์จะถวายอะไรนะคะไปถวายท่านสุรัตด้วยะค่ะสาธุสาธุสาธุาธอ่าทีนี้ก็พี่พิมพ์คะ่ะพี่พิมพ์จะถวายพระอาจารย์สมทบนะคะ สาธุสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุสา ธ, สา ธ, สาธุโอ้โหเราได้บุญกันเยอะเลยเอาเลยค่ะรับเลยค่ะเอาอยอมรับวิทยุกันค่ะเข้าแถวมาค่ะเข้าแถวมาเรื่อยๆเลยค่ะรับเสร็จกลับไปนะคะเก็บ อ, อัศนะเก็บของไปไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวตั้งแถวเตรียมถ่ายรูปแจกเลย จะเอาวางบนผานไหมคะหรือแจกกับมือนะคะนะคะต้องวางบนผานดีกว่าะคะ่ะแล้วก็ให้ญาติโยมหยิบเอาแถวซ้ า, ายออกซ้ายแถวขวาออกขวาะคะ่ะ สองพานไหมคะซ้ายขวาเลยคะ่ะ <laughs> จะได้เร็วขึ้น <laughs> <laughs> เดี๋ยวพระไม่ทันฉันนั่นแหลค ะ, ะคะ่ะวาเลยค่ะซ้ายออกซ้ายขวาออกขวานะคะสองพานเลย <c oughs> แล้วก็เก็บของนะคะเก็บของอไปด้า น, นหลังแล้วเดี๋ยว<จ> เ, ขเข้าแถวนะคะไ ด, ได้ถวาเป็นที่ระลึกได้ให้ธรรมาทาน น, นี่ให้ธรรมาทาน ยอมไปฟังกันให้จบห้ารอบนะยอมนะมีส2 0รอยี่สิบกว่าเรื่องโอ้โหจะฟังนี่จบเลย โ, โหยอม อาว ไ, ไ, ไปไหนคะเตรียมตั้งแถวนะค ะ, ะตั้งแถวนะคะถ่ายภาพไว้ประวัติศาสตร์นะคะหายากนะ รับหมดแล้วนะคะด้านนู้นรับหมดแล้วหือยังคะชื่อพี่ื่อครสวเท่าไหร่ต้องรวมไปหน่อยว่ารวมสร้างทกคนท่านแยกท่านที่นั่งไม่นั่งคืนไม่ได้ไนะคะ